พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส1บอพระสูตรที่สามจักวัตติสูตรสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิพระผู้มีพระภาคประทับ น, นนครมาตุลาแควนมาคตตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้พึ่งตนพึ่งธรรมะและเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วตรัสเล่าเรื่องรัตนเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า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 การพูดเท็จอย่างจงใจการพูดส่อเสียดการประพฤติผิดในกามเมื่ออายุลดลงมาเหลือ5้าพนปีมากไปด้วยธรรมสองอย่างคือการพูดคํหยาบและการพูดเพ้อเจ้อเมื่ออายุลดลงมาถึงสองพัน้าร้ปีมากไปด้วยธรรมสองอย่างคือโลภอยากได้ของเขาและพยาบาทปองร้ายเขาเมื่ออายุลดลงมาถึง 1,000 ปี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 คนทั้งหลายจะมีความสำคัญในการละกันว่าเป็นเนื้อคือมีค่าสัญญาจะมีสัตระอันคมเกิดขึ้นในมือค่ากันและกันด้วยสำคัญว่าเนื้อคาว่ามีค่าสัญญาแปลว่าความสำคัญว่าเนื้อถ้าใช้เป็นคุณศัพท์ก็ใช้ว่ามีค่าสัญญีแปลว่าผู้มีความสำคัญว่าเนื้อหมายเหตุผู้อ่าน ในที่นี้ก็คงจะแปลว่าต่างคนต่างมองอีกปลายเป็นสัตว์เห็นกันและกันไม่ต่างจากสัตว์จึงกระทํากันเหมือนสัตว์สําหรับคําว่าสัตถันตระกับอธถกถาอธิบายว่าอันตรรกับที่พินาได้ระหว่างคือโลกยังไม่ถึงสังวตรตะกับก็พิน้า ด, ด้วยสัตราซึ่งในระหว่างอันตรรกับมีสามอย่างคือทุกพิกะขันตรรกับ